เป็นธรรมเนียมอาราธนาตั้งแต่สมัยโน้นพระพุทธเจ้าท่านทอดที่จะนำธรรมะสู่เวนัยย์สั์เมื่อพระองค์ทรงเมตตาตั้งใจจะโปรดเวเนีย์สัตด้วยเหติที่ท้าวมหาโพริ์ปอาราธนาเลยกลายเป็นธรรมเนียมพวกเราอาราธนามาจนทั่วนี้ เวทีตรงนี้เรามาเจอวาระมาเจอกันอีกวาระหนึ่งคราวก่อนนั้นวันที่แปดตุลาเป็นวันครบรอบหลว ง, ง105ปู่หนึ่งร้อยห้าปีมาคราวนี้หลวงปู่ท่านได้ล่าขันไปแล้วสิบห้าวันสิบหวันท่านทั้งหลายเราที่จะ น, นา่ดู บนเท่าไปนี้ไม่มีอะไรอีู่เท่าเดิมไม่มีอะไรคงที่เราพิจารณาได้แค่นี้แล้วก็เข้าใจมาว่าอณิจจังทุกขังไม่มีอะไรอยู่คงที่ไม่มอะไรอยู่เท่าเดิมลักษณะของอณิจจังทุกขั ง, งให้เราพิจารณาให้เห็นเพราะฉนั้นวันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกเหมือนกันถือว่าเป็นวันที่31ธันวาคม เป็นวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจจะมาสวดมนต์ข้ามปีที่วัดเราก็มีเหมือนกันแต่เราคิดว่าเรากลับไปทันแต่เราจะผานางภาวนาข้ามปีมลวพ่อเขามาตั้งแต่นู้นก่อนสีโมงก่อนชีโมง ท่า น, นอาจารย์สมพานท่านก็ บ, บอกว่าเออรอได้รอนะ้รอไ ด, อได้พวกเราก็กําลังอบวชกําลังสาวอบรม อ, อยู่ที่นู่นพวกเราไม่ไม่ขอเรื่องการบุญการกุศลเป็นผู้ไข่ในธรรมเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็ให้ตถกตั้งใจทาําความสงบไปพร้อมในขณะเดียวกันมันเป็นการสรํา ร, มรวมผูามรรวง นักโมตตัสสะภะวะโตอะระหะโตสมมา ส, บบธธาสมุททัสโมตัสะภะวะโตอะระหะโตสมมาสมุททัสสะภะวะโตอะระหะโตสมมาสมุททัสส <c oughs> กะยิราเจกะิราเทานังกาเลนะ ธรรมสรซากัจชากาเลนะธรรมัต ส, สวรนังปูชาจัปปูชนียานังเอตัมังคละมุตตะมันติ <c oughs> ทาความสงบฟังไปในขณะเดียวกันฟังเทศทีไรเมื่อไร่เราต้องตั้งความสงบระหว่างในใจของเร า, เรามันเป็นการเตรียมพร้อม มันเป็นการเตรียมพร้อมยังไงผูเราได้ยินคำพูดเรื่องอัดเรื่องทำเนื้อหาของอัรรมก็ไปปรากฏที่ใจของเราได้ผลจากการภาวนาใจได้รับความสงบขยับมาที่การเทศตกไปหยักกันตกไปหยักคําเทศก็ไปอยู่กับการภาวนาตลอดระยะเวลาที่ท่านแสดงอยู่ น, นานเท่าไหร่ครตาม เรามาสึกผลที่หลังเราจะเห็นว่าได้ผลเกินค่าได้ผลคุ้มค่าถ้าตรงกันข้ามเนี่ยเราอาจจะนั่งส่งนอ้นส่งนู้นส่งนี้ส่งนี่มาในทางของตั้งใจผลอันนี้สงที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหมวยมันก็ไม่เต็มมันลรีบๆบางส่วนก็รีบบางส่วนก็เต็มอยู่นั่นแหละเนื่องจากว่าความตั้งใจของเราขาดมันไม่สม่ำเสมอ ถ้าเราต้งอยู่อย่างนี้เราจะได้รับผลก็สู่หัวใจได้อย่างสม่ำเสมอเ <c oughs> มื่อกี้เราก็ไปรบถึงวันที่8ตุลาเราได้มาพูดกลับ ม, มากาเพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นข้อคิดสำหรับพวกเรา เงื่อนในวันอของรอของหลวงปู105ป่หนึ่งร้อยห้าปีอายุหนึ่งร้อยห้าปีเป็นที่ชื่นชมน ย, ยินดีของพวกเราศิษยาลูกศิษย์ทั้งหลายเพราะหลวงปู่ท่านมีอายุวัฒนะมงคลมาง่ายาวนานถึงหนึ่งอห้าปีหาได้ยากแททุกวนันนี้นอกจากนั้นทีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีก็ถือว่าสูงสุดแล้ว แต่หลวงปู่ท่านเนียยึดยืนยามาจนถึงร้อยห้าปีเป็นหัวใจในการทำนำพวกเราเป็นทั้งศิษย์เป็นทั้งลูกเป็นทั้งหลานเป็นทั้งเหรียญที่เกี่ยวข้องปูกพันกับหลวงปู่มาทุกระยะทุกเวลาแต่มาปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านล่วงไปแล้วสิห้าวันสิบหกวันยังอยู่ในวาระบาําเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่ อยู่ในวัฏทัศที่บางเพ็ญกุศลถวายหลวงปู่มีส่วนอภิธรรมทุกวันทุกวันทุกวันเมื่อกี้เราอ่านอ่านรูปในใบนั้นบอกเว้นวันปีใหมนะ่เว้นวันสงกรานเว้นวันไหนเราก็มาเกี่ยวข้องนํากุศลเข้าสู่หัวใจเราทุกระยะทุกเวลาใครมาได้มากใครมาได้น้อยตามความปู่พันธ์ตามความเกี่ยวข้องเราก็มาช่วยเหลือกัน บางคนก็มาตั้งโรงทานมาไม่กาหนดแหละวันไ ห, หนสะดวกก็มาวันไ ห, หนสะดวกก็มาบางคนมาตั้งเป็นหลักเลยอนี้ถือว่าพวกเราไม่นิ่งดูได้เราถือกติดตามที่ลูกผูท่นว่าลูกผู่ท่านาถือหลักว่ากิราเจ ก, กิราเทพนะั่ถ้าหากจะทำการใดๆก็ให้ทำให้จริงๆึจะวาสิ พระพุทธภาษิบทนี้เราเอาไปใช้ได้ประโยชน์กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรตั้งใจให้ทานก็ตั้งตั้งใจทําให้ประสบผลสำเร็จ ด, ด้วยการตั้งใจบริจาคทานตั้งใจตั้งแต่ก่อนให้ลาริก่อนให้คณะให้ให้ล่วงไปแล้วไม่ได้คิดเสียตรงเสียดาอะไรตามหลัรถือว่าครบรสามการตั้งใจดีๆทำๆตั้งใจทําให้จริงผลอันนิสงจะได้เต็มที่ รวมมาถึงการรักษาสินก็ตั้งใจรักษาธรรมะระวังรักษาโดยเฉพาะอย่างวันนี้พวกเรามีการบวชบวชเ น, นี่ยับมานับถึงสินถึงสิลแปดสินแปดนี้ถ้าเป็นในพรรษาต้เรียกว่าบวสถรักินแต่นอกพรรษาก็คือสินแปดองศ์สินเท่าเดิมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักศัพท์อไม่ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นอไม่ก้าวล่วงพรหจรรย ต่ว่าไม่ก้าวร่วมพมงมัญจาทำกรับไม่จริยามันพูดแท้พูดยาพูดสอเสียดพูดโพสเจอแล้วก็ไม่ดึงสุราเม่อะไรโดยเฉพาะวันปีใหม่เรื่องสุราไม่อะไร ข, ขึ้นชื่อขึ้นหน้าขึ้นตามากเป็นวัน <c oughs> เป็นวันมาเป็นวันที่เจ็ดที่แปดวันนี้ที่มั้ง ที่มันจะมาพูดไม่ได้แต่ก็พอพอขนาดที่พอสังลายเราเนี่ยแหละย <c oughs> ังไงล่ะฮะลืมแล้ะ <c oughs> ตั้งใจรักษาศีลก็ให้ตั้งใจรักษาจริงๆเดยจะพาสศีลห้า วันนี้เราขยับมาเป็นสินแปดสินแปดตอนค่ำๆน่าจะอัดจนเตยมแน่นแล้วนะอัดจนเตยมแน่นมาแล้วแล้วก็ข้อหกข้อหกไม่รับทานอาหารในยามพิการเราตั้งใจสมาทานถือให้มันบริสุทธิ์เข้าข้อเจ็ดข้อแปดข้อเจ็ดเท่ากับสองข้อนักจะขี่มาลา ไม่ไม่เพลินกับเสียงดนตรีไม่เพลินกับร้องรำทําเพลงไม่เพลินกับการขับประโคมและการตกแต่งร่างกายเนีมาลาการประดับตกแต่งร่างกายนี่คืององค์เขาสิงแล้วก็ข้อที่แปไม่นั่งไม่นอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ไปเลยยักษ์นู่นเลยส้มอีท่านทั้งหลายถ้าเราพิจารณาให้ดีศึกษาให้ดี ศีลก็เป็นธรรมธรรมก็เป็นศีลนับต้งแต่ศีลห้ามาเลยแหะศีลก็เป็นธรรมเช่นอย่างท่านห้ามฆ่าสัตว์พอเราฆ่าปั๊บศีลเราขาดเมื่อศีลเราขาดปั๊บเราก็เป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บางทีฆ่ามนุษย์โอ้ยเป็นเวรเป็นภัยกันบางคนฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองเนี่ยเป็นเวรเป็นภัยกันให้ผลห้าร้อยชาติ เหมือนอย่างอดีตชาติของพระโมคคัลลานนั้นนหละนานหนึ่งเพียงแต่ลองจุ่มทำไปแป๊บเดียวเท่านั้นแหละยังให้พวกเราได้ครับทุกทรมานตกนรกหมกไหมไม่รู้มากน้อยเท่าไหร่เกิดมาชาติไหนชาติไหนห้าร้อยชาติถูกเขาฆ่าถูกเ้าข้างตลอดกาลนี่คือมันเป็นทั้งสิลมันเป็นทั้งธรรมมันเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมแต่ละข้อแต่ละข้อถ้าเราโลกเราเมื่อปั๊บมันเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรม ลักษณะเ็เช่นเดียวกันพระพฤติามีภรรยาของเขาของเราก็เช่นเดียวกันมันเป็นเพี้ยนเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็พูดแท้พูดยาพูดสอนเสียงพูดเพื่อเจอ พ, เพูดเกินเหตุเกินผลพูดกันเหตุกระทุงกระแทกเดกดนั้ให้คนอื่นได้รับความบอกช้าน้ําใจ อันนี้เป็นเรื่องที่เสียหายหทางวาจาทางคำพูดพอเราล่งไปแล้วเป็นเวรเป็นภั ย, เ ป, ภยเป็นบัปเป็นกรรมจริงๆรองข้อหกมันรับฐานอาหารอยยาววิการอันนี้ช่วยส่งเสริมให้เราเบากายเบาใจเพื่อจะทำให้เราได้ตั้งใจศึกษาพรธรรมปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกสบายไม่ขับร้องประค ม, มนดนตรีล้วนแต่แต่ละข้อรวบ ร, ร, รวมไปถึงข้อแปอล้วนแต่ ทำให้เราได้รับความสะดวกสบายที่จะมาตั้งใจประพฤติธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมอันนี้เรื่องของศีลสรุปลงแล้วก็คือศีลทาให้กายกรรมของเราเป็นไปตามปกติทําให้วจีกรรมของเราเป็นไปตามปกติคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์คือการเป็นปกติของกายของวิจาของเราถ้าใจไม่นึกคิดไม่นึกออกนอกนูกนอกทางไม่นึกคิดที่จะร้องละเมิด อ, อันนั้ม น, นมันเป็นเรื่องของใจ แต่เราต้องการให้เข้าอยู่เฉยๆมาได้อกเราจะต้องขยับจากศีลมาเป็นเรื่องของการภาวนาหรือสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนานเราจำเป็นที่จะต้องขยับมาตามนี้เพราะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเป็นแนวปฏิบัติที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ในอริยะมรรคมแปดจุดเป็นหลักใหญ่ๆก็คือศีล ส, สมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญา สิ่งก็เป็นการตะลอมเข้ามากิเลสหยาบๆสแสดงออกมาที่กายที่วาจารเราสบรงบพระนับได้ด้วยสิลเราสบรงบพระงับกิริยาที่กายที่วาจารเราได้แล้วแต่ใจด้วยเหตุที่ใจของเรามีกิเลสกิเลสก็โดดดิ้นอยู่ในหัวใจของเราเราก็บริกรรมภาวนาะให้ใจสงบอยู่กับอารมณ์ทันเดียวพระพุทธเจ้าท่านจึงจมีบทให้เราบริกรรมเช่นอย่างสมถท t สมถท t ไปดูอารมณ์40่้องกันอารมณ์40่อย่างกรรมฐาน40อย่างให้เราพิจารณา ใ, ใจได้รับความสงบคือถ้าหากเราไม่ทําให้ใจได้รับความสงบใจของเราไม่มีพลังไม่มีกําลังเราจะใช้สติกําหนดจดจอ่จอตามรู้ตามพิจารณาอยู่บาทีเราไม่ทันมันไม่มีพลังกัดตัวเองหัวใจของเราเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์สายเราท่านจิงพยายามเน้นสมถะวิปัสสนาสมถะวิปัสสนา นี่พวกเราเหนียดชวนมากเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอะไรน ะ, ะเป็นกลุ่มอบรมอ่านนะครูสมาธิอะไรอะไรนะหัวข้อะอะไรน ะ, ะอา้ า, า พ, พลังจิตตานุภะพลังจิตตารุภาพจิตตานุภาก็คือจิตที่มีพลังอะไรทำให้จิตมีพลัง สติพลังปัญญาพลังสติสมาธิปัญญารวมกันเป็นพลังให้กับจิตของเราพลังจิตตานูภาพพลังจิตตานุภาพคือพลังพลังส่วนหนึ่งก็คือเราทาให้ใจของเราได้รับความสงบเราไปพิจารณาตามองฌานนั้นๆพิจารณาตามองฌานนั้นๆท่านมีบทให้เรากากับเช่นอย่างบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเป็นวินต ในขณะเดียวกันก็ประคองก็ไปเป็นวิจารณเป็นวิตกเป็นวิจารณทําไปต่อเนื่องเพื่อจิตของเราอยู่กับบทธรรมเพื่อจิตของเราอยู่กับบทธรรมทําไปอย่างต่อเนื่องจิตของเราจะเริ่ม อ, อิ่มอิ่มคําบริกรรมอิ่มคาบริกรรมที่เรียกว่าปีติปีติคือความอิ่มเมื่อจิตอิ่มจิตมันอิ่มอารมณ์ที่เป็นธรรมพุทโธพุทโธพุทโธเป็นพุทธานุสตินะ ที่เราตั้ ง, งใจกำหนดจดจอ่จอทำตาม ท, ที่ครูบาอาจารย์ทัานบอกท่านสอนอันนี้มันเป็นแบบย่างพอเราทำไปแล้วจิตของเราได้รับความสงบสงบัดพุทโธแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราจะตื่นจิตของเราจะเบิกบานเราพิจารณาดูเวลาจิตของเราได้รับความสงบจิตเขาจะตื่นตื่นตื่นจากความลึกความคิดที่เกลียดมันแทรกเข้ามาให้จิตของเราเนี่ยเอาจิตของเราไปใช้ออกนอกโลกนอกทาง จิตมันตื่นมันรู้ที่เขาเรียกว่าตื่นรู้ตื่นรู้อันนั้นคือผลที่ปรากฏขึ้นคือความสมบุกที่เกิดขึ้นแต่ตราบใดที่ผลเหล่านั้นกำลังจะเริ่มก่อตัวหรือยังไม่ก่อตัวหรือยังไม่มีเราก็ทํางานอันนี้แหละคืองานพุโทโธพุโทโธมีสติกําหนดจดจอ่อทางความรู้สึกอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนั้นแหละ จะพุทไปหาโถจะโถไปหาพุทธจะพุทไปหาโทมันเป็นการประคองประคองนั้นเป็นวิจารณเอาอะไรประคองเอาสติประคองเอาสัมปชัญญะประคองเอาความภาคความเพียรความอดความตนประคองมีเสียดค่ามวิตกวิจารทําไปเรื่อยๆทําไปต่อเรื่องจนจิตของเราเริ่มหยิมเมื่อจิตเราอิ่มเราไม่ต้องว่าพุทโถพุทธโถจิตของเราไม่ไปแล้วเพราะมันหยิ่มมันไม่โดดิ้นไปตามอารมณ์ อารมณ์ที่เป็นยือของกรรมคุณทั้งหลายเช่นอย่างรูปเสียงเป็นรผธสัมผัธรรมารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจิตของเราถ้ามันไม่อยู่มันไปมันก็วิ่งว่อนไปตามอารมณ์เหล่านั้นเป็นซึ่งเป็นอยจรของจิตเพราะอะไรรูปก็คือตาออกไปเห็นทรูปผู้รู้ของเรามันออกมันออกไปนอกตายมันจะรับรู้รูปมันจะรับรู้เสียงรู้ปริรุธ ร, รู้สัมผัสอรู้ธรรมารมณ์ แม้แต่อารมณ์ที่น้อมนึกมาในภายในใจก็ถือว่าเป็นธรรมารมณจิตอยู่ข้างในมันออกไปข้างนอกแต่ถ้าหากเขาไม่ระมัดระวังไม่อยู่ในท่าทีที่เรากํากับให้เขาอยู่ในบทเผานามพุทธโธพุทธโธพุทธโธจิตไม่อยู่วิธีที่พระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราทํำให้จิตของเราอยู่นั้นให้เราหยุดนึกคิดปรุงแต่งไปตามอารมณ์เหล่านั้นมาอยู่กับอารมณ์บทเดียวคือพุทธโธพุทธโธพุทธโธ เพราะิตเราอยู่จิตเราอิ่มจิตเราตื่นจิตเรารู้เอยู่กับอารมณ์เดียวจิตเราตื่นจิตเรารู้เราประคับประคองอยู่ได้แค่นี้นี่ก็คือองค์แห่งความสนุกขั้นต้นองค์แห่งความสนุกขั้นต้นเรามาพิจรารณาดูแล้วไม่เหลือบาปวายที่เราจะทำได้จนกว่าจะมีผลวิเศษละเอียดลึกเข้าไปเหลือปีติเหลือสุขเอกะกะตา เหลือสุเอตกตาเหลืออุเปขาเอกกตาไม่มีกิริยาของจิตจางรู้รู้อยู่คือความละเอียดดึกของจิตอแท้จริณอันนี้คือสมถะเมื่อเราตั้งใจสุขฝนอบรมไปแล้วจิตของเรามีพื้นมีป่ามีฐานมีพลังมีฤทธิ์มีเดีดมีอภิญญาแต่ไนนั้นมีความสุขมีความปีติมีความเบิกบอิ่มมีอะไรบอกไม่ถูกเราลองทําให้ได้ให้ถึง เพวกเราที่สึกหัดดัดแปลงอบรมมาเป็นประจำบ่อยครั้งพวกเราคงจะได้ถึงกันเป็นส่วนมากแล้วขอให้ตั้งตั้งใจทำให้ได้ประสบความสงบอย่างน้อยๆโดยพื้นฐานเหล่านี้จะทําให้เรามีหลักของใจถ้าเราเริ่มมีหลักของใจเราเราจะเริ่ม ร, รู้รสชาติของธรรมะในเมื่อเราเริ่มรู้รัจากรสชาติของธรรมะแล้วความสุขและก็ความสุขอย่างนี้มันเป็นความสุขที่ เป็นความสุขที่บ่ดีสุดไม่เป็นความสุขที่เจือด้วยอาบิทธ์คำว่าอาบิท์ในที่นี้หมายความว่าความสุขเจือไปด้วยความดีใจความพอใจความเพลินใจความถูกใจความสงข์คือความสุขที่เกิดจากอาบิทธ์สิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าเรียกว่าอาบิท์แต่ความสุขในที่นี้หมายความว่าตัดความวุ่นวายในหัวใจของเราได้จิตของเราเข้าถึงความสงบพระเจ้าอันดับแรกท่านให้จิตของเราหยุด ก่อนที่เราจะเอาไปพิจารณายุดบ่อยครั้งจุดบ่อยครั้งจนได้ได้เป็นอารมณ์ที่1ที่2องที่สาที่4สมัยพุทธกาลเขาเอาถึงนุ่มอารมณ์สมบัติที่1ที่2อที่สาที่4สามารถเข้าสัญญาวเวทีนี้โรคได้สมัยพุทธกาลเนี่ยเราดูแต่พระพุทธเจ้าไปศึกษาไปศึกษาอยู่กับอารารธดาบุตเป็นได้สมบัติเจ วันทกข์กบได้สมัคบัตรไปอาจารย์บอกว่ า, าจบแล้วแต่พระองค์ย้อนมาสูพระไทยของพระองค์เลความทุกข์ยังกองเต็มแพร่อ ย, อยู่ในนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใช น, นี่คือคุณสมบัตขิของความสงบของจิตแค่นั้นเองยังไม่ได้พิจารณายังไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาตัดรากตัดเงาของความลุ่เหลงใน ห, หัวใจออกไปจากหัวใจเลย ความวิตกความวิกังวันความหม่วงใหญ่อะไรต่ออะไรสรารพัดในหัวใจของเราอยังเต็มแพร่อยู่เลยน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงปลี่ตัวมาบำเพ็ญโดยลําพังในสมัยนั้นออกมาบำเพ็ญโดยลําพังทีนี้ราาพระมังูดถึงวันเพลินเดือนหมกวันเพ็ินเดือนหมกก็ทฐมญาณเริ่มได้ยานไปแล้วทำไมท่านจึงได้ยาณเพราะว่าครูเพ่งความสมบท่านสมมาเต็มแพร่แล้วตั้งแต่ปฐมยาณพระองค์ได้ ภเป็ตนิวาสามสติญานเนี่วาา่ายาไม่เคยจิตยังเข้าถึงเห็นพบชาติของพระองค์เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดมากน้อยขนาด้ะลึกย้อนหลังไปไม่มีจบไม่มีจีดจบพอยามทำกลางเนี่ยได้อีกยาทำหนึ่งจุ ต, ตูปปัตยาเนยเห็นพบชาติของสัตว์ตอนนี้รวมทั้งพบชาติของพระองค์รวมทั้งพบชาติของสัตว์เกิดด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมไปด้วยกรรมทํากรรมนั้นมาเกิดเป็นนี้ทํากรรมนี้ไปเกิดเป็นนั้น พระองค์ในวันนั้นนะ่ะซึ่งพระองค์มาตั้งความเพียรอยู่ที่ตนนะาา้นโพน์นะเจรณาปานสติตั้งแต่หัวคำ่ำได้บรรลุญาณโดยลําดับปฐมยาณมัชชิมยามปัจฉิมยาณพอมัชชิมยามโรวไปแล้วอยู่ในระหว่างปัจฉิมยามเนี่ยพระองค์ก็หมุนเอาระไัยของพระองค์ที่มีกิตเต็มแพร่โดยสมาธิสมาบัติอย่างเต็มแพร่อ่ย จิตระดับนี้เป็นจิตที่เอามาใช้งานกับอะไรจิตก็อยู่อย่างนั้นไม่หันเอไม่ลอกแรกไม่ลอกไหวกไม่นอกมุ่นนอกทางไปอย่างอื่นจ่อให้เห็นอะไรก็อยู่อย่างนั้นกลายเป็นกิริยาที่พระองค์ทำนั้นมันเป็นกิริยาที่เป็นตะปักทำไปแผ่ไปเผาเลีตันหาอาสวัตในพระไถ่ของพระองค์เนื่องจากภพชาติของพระองค์บําบเพ็ญบา ร, รมีมาเป็นกับกรารปูเรชาสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมที่จะประสบ เาทางบรรุพระสมมาสัมพธิทยานได้ในปัจฉิมุญาณพระองค์ก็ได้บรรลุถึงอาสวัตยะยานมีญาณอย่างหนึ่งทราบว่าพระองค์อาสวไไัภายในพระไทยของพระองค์หมดไปสิ้นไปจากขันธสันดานโลเบาปลอ ด, ปลอดโปร่งจิตสว่างสวัยไม่มีกองทุกข์แม้เท่าเป็ดขินเม็ดทายอยู่ใัน พรจึงพอพระไทยจึงพอใจเออพอใจละพอใจละที่เป็นเหตุให้เป็นเหตุให้พระองค์ดำริประท้อทมมณฑาสิอันนี้ก็ชาติ ส, สร้างชาติกัรเป็นการพูดเยอยตันหาอ๋อเจ้าตันหาคือเจ้าความอยากเกิดกับใ ด, ด, ดชาติใดโบราณชาติใดก็ตามสร้างพบสร้างชาติให้พระองค์จากนี้ไปไม่สามารถจะสร้างพบสร้างชาติให้พระองค์สร้างบ้านสร้างเมืองให้พระองค์อีกแล้วเห็นหน้าเห็นตา ทำลายได้หมดสิ้นแล้วเรพอใจและพอระทจคือรเราได้บรรลุสัมมาสัมพธิญานอันนี้เราพูดถึงอุทกดาบด์อาราดาบทา ท, าบ ท, ท่านไม่ได้สร้างบารมีมาเพื่อความเป็นบรรลุเป็นสัมมาสัมปวิยานท่านอยู่แค่นั้นพอหมดอายุไขัท่านบอกว่าอะไรบอกมูนไปเกิดบนสวรรค์ชั้นอรุปรพรมอายุมากมายมห า, มาสารแปดมูชีพันกับมีพบยังมีภพจํากัดยังมีอายุจํากัด พ่อจำกัดคือรอดพระพรอยังมีพ่อจำกัดพระพุทธเจ้าของเราไม่มีพ่อจากัดและก็มีอายุจํากัดอายุจะกักน้อยเท่าไหร่ก็ตามจ้าหมดไปได้เรามาเทียบดูกับทูตเจ้าที่ทรสสงสร้างวรรณาสี่อสงไข่แสนหมากับมันนานเลิ่นนานมากเท่าไหร่บางประเภทแปอสองไข่แสนหมากับบางประเภทสิบหอสงไขยแสนหมากับแต่ลพระองค์แต่ละเราท่านสามารถบําเพ็ญจนเต็ม การระยะเวลาการยาวนานขนาดนั้นก็สามารถผ่านไปได้พ้นไปได้เต็มไปได้จนเป็นเหตุให้ได้บรรลุไ ด, น ด, ได้นี่คือหมดไปได้เพราะฉะนั้นภบชาติของเราตราบใดยังมีภบชาติจํากัดตราบนั้นก็ยังมีอายุจํากัดพระพุทธเจ้าท่านมาถึงตรงนี้แล้วท่านหมดภพหมดชาติไม่มีภบชาติว่าพราะองค์ดับขันเข้าสู่มหาปรีพานพาไปแล้วโพระอไปอุบัติที่ไหนไม่มีเที่ยวว่าไม่มีภบเพราะอะไร ามาตัด ก, กระแสตัณหาได้อุปาอุปาทานต่อไม่ได้ตัด ก, กระแสตัณหาได้อุปาทานต่อไม่ได้ใ น, นอุปาทานต่อไม่ได้พบก็ต่อมาได้ชาติที่จะเป็นเกิดในพบก็ต่อมาได้จะมีศรรัพท์พุิธเถรวากับการเจ็บไข้เก็บไข่ได้ป่วยของอัตภาพร่าง ก, กายทำได้อย่างไงเพราะฉะนั้นเราเข้าถึงความวิมุติหลุดพ้นจากวัตถุโสตสานุเบการทั้งปวง ต้องมาวนเรียนเรียนไหวาตายเกิดเหมือนอย่างบุคคลที่ยังมีพ้อมีชาติกักขันอยู่นี่พุทธเจ้าคือความสามารถของพระองค์นี่เสร็จแล้วพระองค์ลองามาคิดดูมากวันที่พระองได้จตุรุพระองค์พิจารณาแพละเผาอาตะปกรรมแพลเผาไปในสุดพระองค์รรลุธรรไปได้ไม่มีใครไปวางหลักสูตรให้ระองค์ได้พิจารณา เหมือนอย่างพวกเราเรามีบทเรียนอริยสัจสี่อริยมรรมีองแปดปฏิจจสมุปบาทเงี้ยพวทชงเกเรามีบทธรรมะที่พระองค์สอนเอาไว้สมัยพระองค์ไม่มีใครไปเรียนให้พระองค์ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระองค์มารื้อฟื้นทีหลังมาไข่ครวนตามหลังจากที่พระองค์เสวยวิมุติสุเกวันเจ็ดแหง่งแล้วเจ็ดวันพระองค์มามาไข่ครวนภูมาหลังภูมิรู้ของพระองค์นี่แหละ จึงวางเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นระบบเป็นระเบอบมาบอกมาสอนพวกเราให้พวกเราที่เป็นสาตร์รู้สิทธิ์ได้รู้ได้เข้าใจได้ประพฤติตามได้ปฏิบัติตามวางหลกเอาไว้อริยามรตมีองแปดแท้ที่จริงเวลาเขาทํางานก็คือมรตเดียวแต่เขามีมองประกอบแปดองประกอบแปดนี้เราต้องทําำศีลสมาธิปัญญาเวลาเขาทางานเขาจะร้องกันเดียวกันถ้าอยากเที่ยวกับมือของเราเอามือของเร า, เ า, เรากรรมเป็นกรรมปั้นเนย หนิ้วพลังคำเป็นคำปั้นมาเป็นก้อนเดียวพอเราแแบออกมาก็เป็น5นิ้วอริยมริวงแปดเวลาทํางานจริงจังเข้าอริยมริวงแปดก็มามุ่นเป็นอันเดียวกันที่จะเรียกว่าสามัคคีมักทําได้อย่างสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำไมยิงสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะสติพร้อมสมาธิพร้อมปัญญาพร้อมหมุนไปในขณะเดียวกันหมุนที่ไหนทําที่ไหน มุนที่ใจใจเราโดดเดี่ยวนี้เองทําที่ใจใจเราโดดเดี่ยวนี้เองจะไม่สมาสมัง ส, สมัครสมังคีได้อย่างไรด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นเหตุให้หมุนจริงที่เป็นพิษเป็นภัยในหัวใจของเราใ ห, หให้เหงืนไปให้แห้งไปจากขันธสันดานหมดได้ไปได้พระองค์นําวามรู้ของพระองค์มาสอนปัญจวัคคี จะได้ทำไมดัมมีวจะไปสอนอาจารย์ทั้งสองคนเลเพราะว่าเป็นผู้มีสมาธิแนบแน่แ น, นมันคงพระองคเพียงจะไปชี้นําทางว่ามาทางนี้มาทางนี้ก็จะพ้นหลุดพ้น ท, ทันทีแต่ด้วยเหตุที่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้สร้างบุญบา ร, รมาีหาทางบ อ, อกไม่ได้ติดตั้อยู่อย่างนั้นแหละในที่สุกว่าอุ้อาจารย์องคหนึ่งก็ล่วไปแล้วเกีวันองคหนึ่งก็ล่วงไปแล้วเมือเช้านี่เองก็เลยมาดํมัมมีจะไปโกรธปัญจวัตรที ก็ไปสแสดงในวันเป็นเดือนแปดนั่นแหละไปเทศน์โผปัญจวัตรทีโ่โกัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามาสิกิทีที่ป่าอิสิปัตนะมริกธายวันด้วยธรรมะที่ว่าธรรมะจักกับประวัตนะสตรเป็นเทศการแรกของโรงคหลังจากเทศโจกเนี่ยทำให้โรงคพอใจขพอบระถ่ายเพราะพระอัญญาโกฏญยะได้ดวงตาเห็นธรรม คำว่าไดวงตาเห็นทำหมายความว่าน้อมน้อมน้อมธรรมะของตนน้อมจิตใจของพระอัญญาโกฏัญญะให้เป็นไปตามกระแสพฤติธรรมของพระองค์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงว่าเห็นเริ่มเห็นถือว่าเข้าถึงกระแสธรรมกระแสธรรมก็คือกระแสของหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือกระแสที่มีอยู่ในโลกเป็นไปอยู่ในโลกไม่มีใครสามารถจะไปกระไรเกี่ยเป็นอย่างอื่นไปได้ที่จะเรียกว่าพระอัญญาโกฏัญญะ ได้โวกตาเห็นธรรมด้วยบทธรรมที่ว่ายัางยังยิ่งยิ้มสุริยธรรมะสัมปันตัญญโธธรสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาคือเห็นเหตุเกิดขึ้นเห็นเหตุตั้งอยู่เห็นเหตุดับไปนี่คือความไม่คงทนความไม่คงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านมาให้ความสําคัญมาให้ความหมายที่กองสงคาญของเรา เราองคสังาขารของเราองสังขารรูปของเรากองสังขาร น, นามของเรากองสังขารรูปของเราเคยพ่อมาเคยเดียวเที่ยวให้ฟังบ่อยครั้งเราลองยอ้อนจากนี้ดูไปในท้องแม่ย้อนก็ไปยอ้ยอนก็ไปย้อนย้อนก็ไปอยู่ในท้องแม่พวกเรากองสังขารรูปทําน า, นนามธรรมของเราไปอยู่บัดในท้องแม่เกิดขึ้นจากการทําำงานที่เรียกว่าเจริญพันเจริญพันธ์ของพ่อของแม่ ทาให้เราปฏิบัติในท้องแม่ท่าขอพอ่อท่าของแม่ประกอบกันในท้องแม่เป็นก้อนสังขารก้อนก้อนสังขารก้อนนี้กองสังขารกอง น, นี้เวลาเข้าอุบัตขึ้นมาแล้วก็คือกองงานกองหนึ่งเองอ่ากองสังขารกอง น, นั้นเวลามาประกอบกันแล้วจะต้องทํางานอย่างนั้นตลอดไม่เคยหยุดท้องหรือไม่เคย อ, ยท อ, คยองที่เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันปฏิสนที่มา หน่งันสองวัน7วัน8วันสสัปดาห์สาสัปดาห์สี่เดือน5้าเดือนเจ็ 7, เดือน8ดเดือน9้าเดือนอาไวบ้บ้าครบสามสิบสองก็คลอดออกมาช่วงไหนบ้างที่ยู่เท่าเดิมไม่มีเพราะว่าในโรงงานโรงนี้ทํางานอยู่ทุกระยะทุกเวลาตลอดเวลาไม่เคยอยู่เท่าเดิมพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าทุกขงังทุกขงังทุกขังนี้เรามองได้ทั้งทุกค่านัศนามทั้งลักษณะ ของมนุษย์เราที่มีวิญญาณครอมทั้งลักษณะของต้นไม้พืชพันธ์ทั้งหลายถึงแม้ว่าจะไม่มีวิญญาณครอมแต่เขาเขาก็มีถึงลักษณะคือมันเปลี่ยนไปต้นไม้เสมอกันจะไม่อยู่เท่าเดิมเพราะเขาปลิเมล็ดออกมาเป็นใบเลี้ยงเป็นยอดอ่อนแล้วแทนรากลงเดือนแล้วก็จริ่เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจะให้อยู่เท่าเดิมอยู่ไม่ได้หรอกเพราะมันมีสังขารนะลัะดัน คืออยู่ท่อเดิมไม่ได้สังขาบรรลุเราเช่นเดียวกันเราเห็นในในท้องแม่เราเราไม่อยู่ท้อเดิมสังขาเหล่านี้เมื่อไปประกอบการประกอบกันแล้วก็มีมการเม็ดของที่พัฒนามาตามรูปแบบของเรามีหัวมีแขนสองลำตัวหนึ่งขาสองครอบเอาอว้ว่าสามสองนะักครอดออกมานี่เป็นต้นชีวิตเหมือนกัน ต้นชีวิตของเรานั้นเป็นเป็นต้นชีวิตที่มีวิญญาณกรองต้นชีวิตต้นนี้ใครเป็นคนปลูกพอ่อแม่เป็นคนปลูกพืชพันธุ์ทั้งหลายทั้งปวงเจงอเงาะเงยเจริเงาะงามได้ด้วยอินฟ้าอากาศที่พอพอดีเจอเงอกงามมาตามเผ่าตามมาตามพันธุ์ของพืชทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแต่มนุษย์เราเจริอมาในรูปแบบของผ่าพันของความเป็นมนุษย์เจอมาอย่างนี้ไม่เคยอยู่ท่าเดือนนี้หลยพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทุกข์ัน พระัญญาควรทัญญาจิตท่านเข้าถึงพระแสธรรมตรงนี้ได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมกอเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้ปูงอะไรยึดไม่ได้สักอย่างอะไรยึดไม่ได้สักอย่างอเพราะฉะนั้นท่านจึงเข้าถึงการทําลายสักรายาทิฏฐิได้สักระยทิฏฐิเมื่อก่อนนั้นสําคัญมั่นหมายมันเกินกายเรากายของพวกเราพยายามยึดมั่นถึงมันให้มันอยู่เท่าเดิมไม่ให้มันเปลี่ยนไปอยากให้มันสุขขังอยู่อย่างนั้น อยาให้มันนิจจันเที่ยงอยู่อย่างนั้นแต่ด้วยเหตุที่สิ่งเหล่านั้นมีเหตุมีปัจจัยบังคับเหมือนให้มันอยู่เท่าตึงไม่ได้แต่ตัญหาในหัวใจของเราของท่านชอบจะเอาความอยากของตัวเองไปกระไปเกณฑ์สิ่งเหล่านั้นเห็น์ไปตามใจหวันงลูกของเราจะจงบอกอง่ายพวกราเมียของเราจงจงฟังเราคนของเราจงฟังเราสิ่งนุชจงเชื่อเราจริงสิ่งนุช ต้องทําให้ถูกใจเราบังคับให้เป็นไปตามใจบาตัวเองบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างด้วยเหตุที่บังคับไม่ได้สักอย่างนั้นเองรุติยาถ้าจริงส่งใช้คําว่านักตานักตาถ้าร่างกายของเราเอาจิตข้าเราไปบังคับบัญชาได้จิตของเราบังคับบัญชาได้อยู่บังคับบัญญาชาได้แค่อิริยาบถเท่านั้นเองบังคับให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้กินให้ดื่มให้ทําให้พูดใด้คิดใช้จิตบังคับได้แค่นี้เอง แต่บังคับไม่ให้ร่างกายเปลี่ยนไปบังคับไม่ได้ถ้าอันยาควรจะ ย, ากยักมีจิตเข้าถึงกระแสธรรมตรงนี้ เ, เลยโอ้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราถ้าเป็นเราเราต้องกะได้เราต้องเปลี่ยนน้ได้เราต้องบังคับได้ไม่อยู่เท่าเดิมเป็นทุกขงังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจ์ทุกขังยังไงอนิจจ์อย่างนาัน้นเพราะอนิจจ์มันสื้นเรื่องมาจากทุกขงังโดยเห็นมันทุกข์ังถึงเปลนอนิจจ์ไม่เห็นมันเป็นอนิจจ์มันถึงเป็นทุกขงัง ใครไปกะเกินให้เป็นไปตามใจหวังได้กะเกินไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่ควรเรียกว่าเราว่าของของเราว่าอัตตาตัวตนของเราดิผที่จะต้องใช้บทนี้นะแต่ตรงกันข้ามพวกพรามถึงแม้ว่าเขาจะตั้งใจบำเพ็ญก็ได้รู ป, ปรสมาัตบารู ป, ปรสมาบัตเขาก็ตามเขาต้องการให้มีผู้รู้เสดสุขเพราะความสุขในรู ป, ปรสมาัติารูปปัสมาบัตินั้นมีความสุขมากมีความสุขมาก เราละไอ้พูดยึดพูดถึงตรงนี้แล้วใครจะเป็นผู้เสพสุขใครจะเป็นผู้เสวยสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาตรงกันข้าเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงมีบารมีเต็มเปลี่ยนแล้วทําให้เอ๊ถ้าเป็นเราเราต้องบอกได้เราต้องบังคับบัญชาได้เรามาพิจารณาดูบนพื้นโลกใบนี้มีอะไรอยู่เท่าเดิมเหมือนอย่างที่เราฝันร่ำตั้งแต่ทีแรกเลยทีแรกเราก็มาพูดธรรมะในวันครบรอบของลูกปู่มาคราวนี้เรามาพูด ในคราวที่เราปู่ท่านรวกไปแล้วส5บห้าวันสิบวันซึ่งระยะนี้อยู่ในระหว่างเราบำเพ็ญกุศลถวายท่านทุกวันทุกวันทุกวันจนกว่าจะถึงร้อยวันแล้วก็จนกว่าจะพิจารณาตกลงปงใจที่จะหาวันพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของของท่านซึ่งท่านเป็นผู้มีรากีนานอายุร้อยหนึ่งห้าปี เราก็ดูในหนังสือแผ่นเล็กๆมเมื่อกี้นั่นแ่ละท่านถือหลักตามที่ว่ากัจิราเจีกัจยราเทน ะ, ะถ้าตั้งใจจะทําสิ่งไหนแล้วก็ขอให้ตั้งใจทําสิ่งนั้นให้จริงอันนี้เรายึดหลักได้เลยนะเราทํามากินเราทํารุกทำนิดทาอะไรต่ออะไรก็ตามถ้าเราไม่ตั้งไม่ตั้งใจทําริง่งมันไม่ได้หรอกอเราไม่ต้องมาพูดถึงว่าเราจะบังคับจิตเราได้รับความสุขจิตเรานี่ต้องบังคับนะอย่าไปคิดว่าบังคับไม่ได้ ในการที่เราตั้งใจอบรมมากนั้นเราจะต้องบังคับแต่เราจะบังคับให้เกิดผลนั้นเราอย่าไปบังคับเพราะถ้ า, าเราบังคับให้เกิดผลมันจะเกิดผลจอมปลอมมันเป็นการนาําเอาตัณหาออกหน้าในเมื่าเราตั้งใจพิจารณาเพื่อให้รู้เท่าทันตัณหาแต่ในขณะเดียวกันตัณหามาสวมรอยเรามีสําคัญนะมีความสําคัญอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ดำรง ตั้งใจทำมากให้จริงๆตั้งใจรักษาสิ่งทียิ่งเป็นอธิศิ่ตั้งใจเจริญสมาธิจะสงบละเอียดขั้นไหนก็ตามเพื่อจิตได้รับความสงบสงบขั้นไหนจิตจะเริ่มผ่องใสจิตของเราผ่องใสเพราะจิตของเราได้รับความสงบจิตที่มีความสงบจิตมีความสุขจิตมีพลังจิตมีอนุภาพเนี่ยเราตั้งใจทําให้จิตได้รับความสงบที่เรียวอธิจิตแล้วก็ตั้งใจพิจารณาเพื่อให้เห็นอันนี้จกทุกขังอนัตตานี่เอง เร่พิจารณาอย่างไรเราจะเห็นเราพิจารณาไปเรารู้อยู่เราเพราเราศึกษาเราได้ยินได้ฝังว่าโอ้อันนี้จังโอ้ทุกขังโอ้อนัตตาแต่มันยังไม่ได้เห็นประจัยพยาด้วยญาณทัศนะ์ของเราและเมื่อเรายังไม่เห็นประจัยพยาด้วยญาณทัศนะ์ของเราเราไม่เกิดความเบื่อความหน่ายความคลายความจางยังยึดว่าเป็นเราเป็นของขอเราเราเป็นของของเราอยู่นั่นแหละอยู่รั้งไปทําไงเราพิจารณา ตรงนี้ได้เราพยายาตั้งใจตั้งใจทําจิตให้ได้รับความสงบอย่าลืมว่าจิตสงบมากเท่าไหร่ผมก็จะพิจารณาละเอียดได้มากเท่านั้นพิจารณาได้ละเอียดมากเท่าไหร่มันก็ช่วยเพิ่มใน้จิตของเราสงบมากเท่านั้นมันตะลองกันไปตลองกันมาสิ้นเนิรสุนนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาปัญญาหนุนสมาธิสิ้นหนุนสมาธิสมาธิาธหนุนปัญญาหนุ น, น, น, ญญนกันไปหนุนกันมา มีแหละคือผลอันิสงที่เราตั้งใจอจะประพฤติปฏิบัตใิให้ได้หลักได้เกอฑ์พวกเราทุกวันนี้<ม>เรามีการสฝึสวนอบรมมีการตั้งใจประพฤติทำปฏิบัติทำตั้งเป็นชมรมมีการอบรมที่นุ่นเท่านั้นที่นี่เท่านี้<ม>ขอให้เราตั้งใจทําให้จริงให้สมหลักที่หลวงปูท่านมีหลักในใจว่ากัจยราเจกัจิราเช่นนะเมื่อตั้งใจจะทําก็ขอให้ทําให้จริงๆย่อมได้ประสบผลจริง ทำเล่นๆผลมันไม่พอจะเกิดมันจะเกิดไม่ได้เคยยกตัวอย่างมาเปรียบเทียบเหมือนเราถูไม้ให้เกิดไฟอ่ายิ่งเอาไม้สดๆมาถูด้วยแล้วยิ่งเหน่เปล่าเมืออย่างพระพุทธญาติชนตรัสาไม้ชุบในยางไม้สดชุบ้อย่างแล้วก็แช่อยู่ในน้ําด้วยยิ่งไม่มีโอกาสที่จะเป็นอ่าไม้ไม้ไม้อยู่บนบกเมื่อเรามีกายออกจากกามแล้ว แต่จิตของเรายังไม่ออกจากการมหมายความว่าจิตของเราเราไม่ได้บรรพโกรมเราไม่ได้เสวยกรรมแต่ว่าเรายังนึกคิดแต่เรื่องกรรมถ้านเรียกว่าจิตของเรายังไม่ออกจากกรรมหมายความว่าจิตของเราเนี่ถ้าจะเทียบกันก็มาให้จุ่มตัวอย่างอามาสีให้เกิดความนอนให้เกิดเป็นเปลวไฟก็เหน็ดเหนื่อยเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนอบรมเอาตะปัดทำนี่แหละแผ่เผาให้ ใจคือไม้อันนี้เนี่ยมันเหือดไปมันแห้งไปจิตจะเหือดไปแห้งไปเนื่องจากจิตของเราได้รับความสงบจิตของเราเริ่มสงบจิตของเราจะเริ่มออกจากกรรมท่านทัง้งหลายอย่าลืมเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราตั้งใจเภาหนาให้ใจได้รับความสงบอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่คนละมุมห้องก็ตามสามีภรรยา อ, อยู่คนละมุมห้องตั้งใจเภาหนาให้ใจได้รับความสงบมันสามารถสงบได้ระงับได้เคยยกตัวอย่าง เคยยกเคยยกเคยกยกตัวอย่างเศรษฐีแะไรเศรษฐีอะไรนีร่นะเศรษฐีที่เป็นฟังธรรมธรรมะนะแล้วก็ได้เป็นพระอนาคามีท่านกอยู่บ้านอะไรแต่ถ้าเป็นฟังเทพพุทธิญ่าทุกวันทุกวันทุกวั น, วนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาข่าเป็นพระอนาคามีพอถึงขั้นที่ว่าตัดเกลียดได้เด็ดขาดตัดกามาคุ้มทั้งหลายได้เจ็บขาดแต่ว่ามันยังหมุนอยู่ในหัวใจอยู่นะ ในหัวใจยังมีสังโยชน์ยังมีอ า, า, าสวัชส่วนละเอียดเหลืออยู่แต่ส่วนห ย, บยบาบๆละได้แล้วตัดได้แล้วพอกลับไปบ้านเขาไปบอกเล่ากับแม่บ้านบอกเล่า น, นั้นบอกเล่านี้อันนั้นจะยกให้เธออันนี้ไปยกให้เือจกกบเราไปจังนี้ไปเราเคยเกี่ยวข้องกันยังไงเราไม่ต้องเกี่ยวข้องกันอีกแล้วนี่คือคุณธรรมเกิดขึ้นในใจแล้วหากิจมันปล่อยมันละมันวางมันสลัดตัดก่อของมันเองทีนี้นางรูปนันธาเนี่ย ที่เป็นแม่บ้านเป็นนางชื่อนางรูปนันทา น, นางนางก็เลยขอไปบวชท่านเสด็จีก็เลยจักให้ไปบวชไปบวชไปบงเพ็ญไม่กี่วันได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนอได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนนี่คือนี่คือคุณสมบัติในใจที่ตั้งใจสุขฝนอบรมจริงะ้ะสามารถเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ เราทําใจให้ได้รับความสงบเมือนก็ว่าจิตของเราจะเริ่มอปลี่ยการเหมือนกับไม้แห้งเราเอาไม้แห้งไปถุใหเกิดไฟเรามีโอกาสที่จะเป็นไฟขึ้นมาได้แต่ถ้าหากเรามีความเพียรไม่พอทูถูถูแล้วก็อยู่ถูถูถูแล้วก็หยู่โอกาสที่จะเป็นเปลวเป็นไฟขึ้นมาก็เปลี่ยนไม่ได้วิธีทำ ถ้าให้ทํยังไถ้าให้ทำอย่างต่อเนื่องอทำหนักหน้าขเข้าไปเรื่อย้ทําอย่างต่อเนื่องยังรักษาอารมณ์ภายในใจใจของเราไม่ให้กิเลสกามทั้งหลายเนี่ยมันมันมีมันม า, มม า, ม า, มาเกี่ยวมาข้องมาขีดมาขัน้นให้จิอเราหมุนอยู่กับมันได้อยู่เรื่อยๆอย่นเงื่อนแล้วก็มีช่วงหนักมีช่วงเบามีช่วงบมีช่วงเบามีช่วงบวุมีช่วงเบาอยู่นั่นล่ะตั้งใจบำเพ็ญอยู่อยู่นี้จนเกิดสัญญาไฟปรากฏมีควันปรากฏมีเข่าดำๆปรากฏ ปรากฏก็อยากเต็มที่ฟุ้ได้เปลวไฟได้ฝ่ายใช้ความเพียรในใจของเราเช่นเดียวกันที่เราตั้งอกตั้งใจเจริญสมาธิตั้งใจทิจรนาปัญญายังไม่เกิดยังไม่เกิดอ้าวก็มันยังไม่เกิดยาดัชสระยังไม่เกิดไม่เกิดก็คือไม่เกิดตั้งใจทําจนเกิดไม่ท้อถอยตั้งอกตั้งใจทําอยู่เรื่อยไปแล้วก็ประคองอยู่เรื่อยไปในที่สุดไม่เหลือว่ากว่าอะไรด้วยตั้ง ปักทำไปในหัวใจของเราเมื่อถึงพร้อมแล้วก็สกิเลตตหาสวัสดิหัวหใจของเราก็สามารถจะเอืไปให้ไปจากขันทสันดาลได้ในวิธีการที่ทำต้องทำจริงทาจริงอย่างสุภาษิตที่รลวหู่ท่ า, ทานถือปะ เ, เองพวกเราเป็นผู้ใครในทําทั้งหลายเราเสียสลัก เ, เ, เวลาทุกคนตั้งความปรารถน า, ยาอยากได้ผลได้กุศลอยาก ได้มักอยากได้ผลอยากเป็นผู้ทรงถึงอยากเป็นผู้เจริญสมาธิมีสมาธิอยากเป็นผู้มีปัญญาอยากเป็นผู้มีปัญญายานอยากได้มักอยากได้ผลอยากได้นิพนานความอยากอันนี้เป็นพลังเป็นกําลังของเราเป็นธรรมขอให้เราพยุงเอาไว้รักษาเอาไว้รไประคับประคองเอาไว้ประคับประคองตัวเร า, เาไว้ประคับประคองหมู่เพื่อนเร า, เาไว้ ให้มีความตั้งอกตั้งใจทําสิ่งเหล่านี้เกิดผลสําเร็จให้ประสบผลสําเร็จเพราะอันนี้มันเป็นเป็นการดําบิที่ชอบมันเป็นการดําบิที่เป็นมั่งแต่ถ้าหากเราอยากสนองเกิเลดด้วยเหตุปีนเปรี้ยวกับสินกทํารรมนันแหละท่านเรียกว่าเป็นความอยากต่างหน้าของเกิเลดถ้าหากเราปล่อยให้เกิเลดมันปรากฏมันพินนใจารณาอยู่ในใจของเราอยู่เรื่อยๆผลรายได้เป็นเรื่องของกเกลยียดแต่ถ้าหากเราเจริญสมณธรรมอยู่ทุกระยะทุกเวลา ผลรายได้เป็นเป็นเรื่องของสมรรถนะยิ่งเจริญไปเท่าไรสมรรถนะของเราก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้น เ, เป็นคุณสมบัตเิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีนี้ข้อเปรียบเทียบที่เราจะพิจารณาเพื่อจะละเจะวารสิเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นมันก็มีขึ้นทําให้เราเข็ดให้เราทําให้เราหลาบในภพชาติในความทุกในความทุกกองโทษทั้งหลายทั้งปวงในที่สุดความเจริญจาจากการนำที่เป็นเรื่องของเงิน มันก็จะจางไปจางไปจางไปจิเขาเราจะมาหมุนเกี่ยวกับเรื่องของธรรมเป็นเหตุให้เราได้อานได้ธรรมเพราะฉะนั้นอายจินกรรมประจำชีวิตจิตใจของเราถ้าเราต้องการจะละกิเลสขอให้จิตของเราดำรงอยู่ในธรรมยาวลอยจิตของเราล่องลอยเรื่อยไ ป, ไปตามอํานาจของกิเลสตัญหาอาสวะตามอำนาจของความโลภความโกรธความอิจฉาวิ่เสีความที่บะไร ถ้าเราปล่อยอยู่อย่า ง, ง น, า น, นั้นอานีพกรรมเหล่านั้นมันกลายเป็นวิบากกรรมที่เป็นเรื่องของกิเลททั้งนั้นเป็นเหตุให้เรายืนยาวยืดออกไปในวัตฏะสุขสา ร, รไม่มีจุดจบไม่มีที่จบขอให้เราดํำรงมั่นในธรรมยิ่งเรามีสถาบันเป็นเป็นที่ฝึกฝนเป็นที่อบรมเบื่แล้วอย่าปล่อยโอกาสเหล่านี้ให้ล่วงไปในคราวที่มาฝึกฝนอบรมกลัลาบบ้านไปเราก็ถืออันนี้เป็นกติเครื่องเตือนใจั้องอบต้องใจทำจริงนึกถึงคําสอนของเราทำมิจริงตามจริงๆ ทำตามสุภาษิตกายยิราเจยกิราเชนะ่นะพวกเราเขาจะประสบผลสาเร็จเราตั้งใจมากเราก็ประสบผลสําเร็จมากเราตั้งใจน้อยเราก็ประสบผลสําเร็จน้อยเราตั้งใจไม่ตั้งใจ <laughs> เราไม่มีอะไรจะก้กาวหนะ้านอกจากนั้นแล้วบางคนก็ยังไม่ไปตามหนทางที่พุทธเจ้าท่านชี้เลยท่านไปไปทะนุไปทะนุแต่ในขณะเดียวกันก็นหันรีหันขวาให้หนักนักเข้าเลยหันหลังให้ ในเมื่อเราหันหลังให้กทิศทางที่บุรุษเจ้าท่ร ง, งชี้อยู่แล้วทรงชี้คือศีลสมาธิปัญ ญ, ญาบุรุษเจ้าท่านทรงชี้เอาไว้ถ้าเราหันหลังให้แล้วเหมือนกับเราหันหลังแลักเดินก้าวไปข้างหน้ายิ่งก้าวไปเท่าไรไกลไปเท่านั้นก้าวไปเทา่าไรไกลไปเทาา่านั้นมรรคผลิพานเปรียบเสมือนบทที่ที่ส่องแสงสว่างในหัวใจในชีวิตจิตใจของเราถ้าเราหันหลังให้เราก้าวไปเท่าไรก้าวไปเท่าไรเราก็ ชีวิตพวกเราค่อยมื้อเข้ามื้อเข้าสติ ป, ปัญญาของเราค่อยมื้อเข้ามื้อเข้าหมายความว่ามิชาทิีท่มันครอบเต็มจิตเต็มใจของเราอจนไม่สามารถจะมองเห็หนอะไรเมือเ่อถึงเพราะมันไกลาจากพระที่มันตรงกันข้ามกับที่เราเดินไปหาพระที่มรรคผลิพานอยู่ที่นี้ศีลอยู่ที่นี่ตั้งใจรับสารศีล ส, สมาธิอยู่ที่ตั้งใจดำรงสมาธิปัญญาเกิดขึ้นด้วยเหตุ น, นี้ตั้งใจพิจารณาเกิดปัญญา เดินเข้าไปเดินเข้าไปเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ดวงไฟยิ่งไปใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นนู่นเพื่อนู่นเสื้อผ้าอาภัณฑ์อะไรเห็นชัดเจนปรากฏหมายความว่าใจของเรามันสว่างมันสามารถมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยของสัจธรรมทั้งหลายทั้งปวกได้อย่างแจ่มแจ้งอย่างชัดเจนก่อนที่ญาณทัศน์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ เราจะต้องเอ่ยด้วยกิริยาเหล่านี้เวลาเราไปประสบพบเห็นแล้วสี่นั้นก็จะเพิเกิดขึ้นเกินค่าเกินเดาเกินหมายที่เราเคยตักเคยเตียนเคยคาดเคยเดาเคยหมายอาไว้สักวันหนึ่งเราจะพอใจละพอใจเราก็จะออออออขึ้นมาทั้งที่เราไม่เคยมีหวังเลยว่าเราจะมีความหวังรื่องนั้นจะเราจะได้ประสบพบเห็นสิ่งเหล่านี้ขอให้เราตั้งอกตั้งใจเดินไปเรื่อย ในท่สุมั่นปลายด้วยการทั้งหมดตั้งใจศึกษาธรรมประพฤติธรปฏิบัติธรร ม, รรมเราจะต้องได้ความประสบความสุขที่เป็นสิริยอดรสมิริยอดของมองคลอย่างที่ในชีวิตจิตใจของเราอันนี้หมายความว่าเราตั้งหดตั้งใจดําเนินตามชีวิตที่พระเจ้าคุนทรงบอกทรงสอนเอาไวา้อยู่ในหลัก อ, าากอริยมรรคบิณฑบาตพวกเราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังแต่ว่าเรายังขาดการนําสู่การปฏิบัติ การนำสู right. Tim, <tim> ่การปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสําคัญท like ี่สุดไม่ว่าจะเป็นการแบบใดก็ตามงานแบบไหนก็ตามงานขี่งานเขียนงานเรียนงานก่อสร้างงานสารพัดงานช่างทุกอย่างสารพัดถ้าเราไม่นําสู่การปฏิบัติถ้าเราเรียนแบบทางโน้นท่นคิดเรียกว่าเนื่าเราทราบทฤษฎีแล้วเราจะต้องปฏิบัติเมื่ออย่างเราเรียนขับรถเราเรียนแก้เครื่องยนต์รถเมื่อเรารู้ภาพทฤษฎีแล้วเราก็จะต้องมีปฏิบัติ เพราะฉะนั้นทุกอย่างเรานําสู่การปฏิบัติจะนําผลปฏิเวทมาให้กับเราพระพุทธเาจะทรงตรัสไว้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีแต่ปริยัติไม่มีปฏิบัติปฏิเวทไม่เกิดปฏิบัติไม่ถึงปฏิเวทก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะทํา ไ, ไม่ถึงทําไม่ถึงกระหมนอางเราสีไม้เกิดไฟสีไม่ถึงไฟที่ไหนจะติดไฟมันติดไม่ได้มันมีขีดมีขั้นอันนี้เราเปรียบเทียบท่านเปรียบเทียบ กับไฟที่เราต้องการสีไม้เกิดไฟเอามาเป็นมุขมาในการทําความภาคความาเพียรของเรามันจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่ในสถานะในใอยู่ในสถานะที่ว่ า, าไม้สดชุไ ด, ด้ ย, ยางและก็ยังถูกแช่ในน้ําด้วยไม้สดชุไ ด, ด้ ย, ยางถึงแม้ว่าจะอยู่บนบกหรือว่าเอาไม้แห้งมาเสียเกิดไฟซีหยุดซีหยุดสีจุด หรือเราเอาไม้แห้งมาสีสีอย่างต่อเนื่องสีไม่หยุดสีเอาหนักหน้าเข้าไป้วยสีจนเอาเป็เอาตายเข้าใส่จนไฟลุกพึ่งขึ้นมาเป็นไฟชัเราเป็นบุคคลประเภทไหนเราจะทราบฐานะของเราเองแล้วก็ขอให้เราพยายามพัฒนาตัวเองให้ได้ขีดได้ขั้นตามตามตามตามอุ ป, ปมาอุ ป, ปมาอนี้เป็นอุ ป, ปมาทีา่พระพุทธเจ้าท่านสอนเพราะอุ ป, ปมาอนี้เกิดขึ้นกับพระองค์ก่อนที่พระองค์ได้รู้ธรรมไม่กี่วันอุปมาสีอย่างนี้เกิดขึ้น ทำให้เราฟังดูแล้วเกิดความชัดเจนต่อต่อการตั้งใจศึกษาธรรมฐฐประพฤติปฏิบัติธรรมมันจะเป็นเหตุไม่ให้ทำไม่ให้เราทํำย่อๆเอียดแล้วก็มันเรียกเราหาผลทำย่อๆะเอียดแล้วมาเรียกเราหาผลทํเลเาทเอาเป็นเอาตายเข้าใจจริ ง, งไม่นั้นไม่ได้เราคิดว่างานเหล่านี้เป็นงานเบาเป็นงานไม่นั้นแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านามันเป็นงานที่หนกมากเป็นงานที่ต้องต่อสู้ด้วยชีวิตจิตใจยอย่างแท้จริงเป็นงานเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไป ลงตากทันเวลาพอถึงที่สุดแล้วเหมืนอนอย่างที่ท่นทานโจกุยพวกเราด้ยินได้ฟังตั้งแต่วินาทีแล้วเป็นต้นไปความทุกข์ในหวัวใจเข้าเม็ดหินเม็ด砂ไม่เคยผ่านมาให้ประสบพบเห็นอีกเลยถ้าเกิดในหวัวใจของเราบ้างเป็นยังไงเราถ้าเรามาเที่บหมู่อันนั้นเแป๊บใจอนี้เราแป๊บใจทุกใจกับสิ่งนั้นทุกใจกับสิ่งนี้ต้องการจะเป็นที่รักของหมู่อ้าวหมู่คนนัก็เทียดกับเราหมู่คนนี้กเทียดกับเรา ต้องการให้เป็นศรีรักของหมู่คนเรานั้นสิ่งที่จะทําให้เรารู้สึกตัวได้ดีก็คือคนเกลียดเราสังเกตูใครก็ตามที่สังเกตที่มีความนึกรัะเกเลียดยฉันเกลียดเราเยจะเป็นเหตุให้เราเ ย, ย้อนมาดูตัวเราทันทีมันจะเป็นเหตุให้เราได้มาสํารวจตัวการดูชีวิตจิตใจของเราทันทีเพราะเครื่องเหล่านี้ในหัวใจของใครไม่มีใครชอบเลยคนเกลียดคนฉันไม่มีใครชอบ พอจะรู้สึกว่าหมู่เคื่อนเริ่มรังเกียจเราก็จะเริ่มตั้ง อ, อกตั้งใจมาสนใจตัวเองเออหรือว่าเราทำอย่างนี้ผิดหรือว่าเราทํอย่างนี้ถูกแต่คนส่วนมากนั้นชอบคนอื่นรักคนนั้นรักเราชอบคนนี้รักเราก็ชอบสมอคนทั้งบ้านคนนั้นก็รักเราคนนี้ก็รักเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นอะไรอยู่ด้วยกันในครัวเดียวกันรักเราหมดโอ้มีความสุขใจมากแต่ถ้าหากมีค น, นคนใดคนหนึ่งมาเกลียนเราปะ่ะแม่ ทำให้เราย้อนมาสำรวจตรวจตราดูตัวเองทันทีอันนี้เป็นเป็นข้อคิดสำหรับเรามาเตือนสติของเราเพื่อมาสารวจตรวจตราดูพฤติกรรมของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ในคราวบําเพ็ญกุศลหลวงปู่ถือว่าพวกเรามาบวชชีพราหมณ์ก็เนื่องในการบําเพ็ญกุศลศพหลวงปู่ด้วยถือว่าเป็นการบวชเพื่อสุดท้ายดีเกา่าตอนรับปีใหม่ด้วย ถ้าหากเราไม่ลืมอายกินกรรมเหล่านี้เราก็จะต้งองตั้งใจเร่งสร้างคุณงามความดีไม่ออกนอกรุก่นอกทางนอกทางไม่ทิ้งสิ่ไม่ทิ้งธรรมรู้จักํารวจตรวจตราถ้าเราตกเราตั้ ง, อองใจประกอบคุณงามความดีเหล่านี้อย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องเราจะมีความสุขทั้งปีเก่าทั้งปีใหม่ตลอดปีเก่าตลอดปีใหม่ เพราะฉะนั้นความปรารถนาของท่านทั้งหลายมีความหวังมีความปรารถนาอย่างนี้ขอให้ผลอานิสงที่ท่านตั้งใจปรารถนาและตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติมานั้นจงเป็นพลานิสงตามอํานวยอวยใช้ให้พอนะกับท่านทั้งหลายได้ประสบความสุขความเจริญโดยทั่วกันตวัง พอดีแล้วครั้นีก็พอดีแล้ว